รู้สึกไม่ยุติธรรมที่มากะเกณฑ์ให้ต้องรู้และทําแต่ความดีถามถ้าพูดกันเรื่องกรรมวิบากข้ามภพข้ามชาติก็รู้สึกว่าไม่เป็นการยุติธรรมเลยเพราะเกิดมาเราไม่รู้อะไรสันอย่างแล้วทางพุทธจะมากะเกณฑ์ได้อย่างไรว่าให้ทําแต่ความดีอย่าทําบาปตอบ สิ่งที่เราไม่ได้สร้างทำขึ้นมาเราจะกะเกณให้เป็นไปตามใจได้อย่างไรละ่ะเมื่อเล่นตามเกมที่ตัวเองไม่ได้สร้างก็ย่อมไม่ได้อย่างใจเป็นธรรมดาครับอีกประการหนึ่งทางพุทธหาได้กะเกณให้ใครทำดีละเลิกความชั่วพระพุทธเจ้าแค่บอกวิธีว่าถ้าอยากสุขให้ทำบุญเกลียดทุกข์อย่า ก, ก่อบาปท่านทำมาอย่างนี้ คือไม่ใช้วิธีบีบบังคับแต่ใช้วิธีบอกตามจริงซึ่งจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวทำได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนหากกรรมวิบากข้ามภพข้ามชาติเป็นเรื่องรับไม่ได้ mm. ก็เอาการที่กรรมวิบากแบบข้ามวันข้ามอาทิตย์ข้ามเดือนหรือมากที่สุดคือข้ามปีก็เล่ากันและหากพบว่า ใครทำอะไรไม่เห็นจะได้อย่างนั้นสักทีก็ขอให้มองกันที่จิตลองสัมภาษณ์เจ้าตัวดูถือว่าถ้าดีจริงดีพร้อมดีออกมาจากใจจิตจะยังเป็นทุกข์ได้สักขนาดไหนและหากเลวสามเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้คือเลวสามโดยสันดานจิตจะยังเป็นสุขได้ประมาณใดกัน วัดกันที่สุขทุกทางใจแล้วคุณจะเชื่อเรื่องกรรมวิบากได้มากขึ้นแน่นอนครับถึงไม่รู้มาแต่เกิดก็มารู้เอาตอนโตแล้วนี่แหละ